จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบูช์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามธันวาคมพุทธศักราชส5งเป็นวันที่สาธุชนได้ตัง้งจิตตั้งใจง มาวัดเนื่องจากเป็นวันพระวันธรรมวัวนะวันฟังธรรมวันมาปฏิบัติศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อพทธเจ้าเพื่อดูแลรักษาจิตใจที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ตลอดระยะเวลา 6-7 วันที่ผ่านมาเราก็ได้ดูแลร่างกายของเราด้วยการทำงานทาการเพื่อจะได้มีรายได้มาจุนเจือมาซื้อปัจจัยสี่คืออาหาร อยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มและที่อยู่อาศัยแล้วเราก็ยังไปดูแลกิเลสตัณหาคือความอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆอยากดูอยากเห็นอยากสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆพอวันนี้เราก็จะหยุดการ กระทำเพื่อร่างกายหยุดการกระทาเพื่อกลเอตตันหาเพื่อเราจะได้มากระทาเพื่อจิตใจของเราเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลจิตใจของเราเลยใจของเราจะมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวความวุ่นวายใจเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีวันหยุดวันหย่อนไม่ว่าจะได้อะไร มามากน้อยเปลี่ยนไัยก็ตาจะได้เงินมาเป็นกองเท่าภูเขาจะได้ตำแหน่งสูงถึงเป็นนายกรัฐมนตรีจะได้การยกย่องสรรเสริญจะได้ดูได้ฟังสิ่งต่างๆที่อยากจะดูอยากจะฟังก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ความ วุ่นวายใจต่างๆหมดไปจากใจได้หรือเบาบางลงได้มีแต่กลับจะทําให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับเพราะการดูแลกิเลสตัณหานี้แหละเป็นวิธีการสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนใจให้มีอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ญาติโยมนั้น ปล่อยวางภารกิจทางด้านร่างกายและทางด้านกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆแล้วมาทําภารกิจทางด้านจิตใจด้วยการทาความดีสองด้วยการละ บ, บาปสามด้วยการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระ กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจต้อ ง, องไปทำบาปเพราะว่าเวลาอยากได้อะไรมากๆถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายก็จะไปทำ โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนความวุ่นวายใจให้กับตนทั้งๆ ท, ที่ได้สิ่งที่อยากได้มาแต่ได้มาไม่คุ้มเสียเพราะว่าเสียความสงบความสบายใจไปได้สิ่ง ที่มาทำให้จิตใจมีความวุ่นวายใจเดือดร้อนวิตกกังวลนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระวันธรรมสวนาไว้เพื่อให้ญาติโยมได้มีเวลาได้มีโอกาสมาดูแลรักษาใจเพราะถ้าได้ถานความดี ใจก็จะมีความสงบมีความสุขถ้าไม่ได้ทำบาปรักษาศีลได้ใจก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับการกระทําที่ไม่ดีต่างๆแล้วถ้าสามารถชาระความโลภความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปได้ใจก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไป เพราะความสุขของใจนี้อยู่ที่ความสงบเท่านั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเลยไม่ได้อยู่กับการได้สิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้มาไม่ได้อยู่กับการได้ไปเสพสัมผัสกับเลืเสียงกลิ่นรสโวดทวารต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ได้เสกได้สัมผัสกันมาตั้งแต่วันเกิดแล้ว แต่ใจของเราก็ยังไม่หายวุ่นวายไม่หายเดือดร้อนไม่หายวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆนั่นเป็นนั่นเป็นเพราะว่าใจเราไม่สงบนั่นเองใจเราไม่มีความสุขถ้าใจเรามีความสงบแล้วใจเราจะมีความสุขเมื่อมีความสุขก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ ใจหลงไปคิดว่าจะให้ความสุขกับตนได้เพราะสิ่งต่างๆที่ใจคิดว่าจะให้กับสุขกับตนนั้นให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่จะให้ความทุกข์มามากกว่าหลายร้อยเท่าด้กันพอใจได้ความสงบมีความสุขใจก็จะสามารถปล่อยวางความสุขเล็กๆแคน้อยที่ได้จากการการอยาก มีอยากเป็นอยากเสพอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆความสงบของใจนี้จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งของจิตใจเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงของใจนั่นเองถ้าได้ความสุขใจแล้วได้ความสงบแล้วจะเบื่อกับความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เนื่องจาก ความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงนั่นเองมีเกิดมีดับมีมามีไปเวลามาก็ดี อ, อกดีใจพอเวลาจากไปก็เสีย อ, อกเสียใจแล้วก็ไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราได้เสมอไม่สามารถให้ความสุขจากจากสิ่งต่ตางๆให้อยู่กับเราไปได้ตลอด อยู่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะจากหายไปถึงแม้สิ่งที่ให้ความสุขกับเรายังไม่ได้จากเราไปแต่ก็ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วก็ถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าเขาจากเราไปก็จะยิ่งทำให้เราทุกข์ใจมากขึ้นไปใหญ่ นี่คือธรรมชาติของความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่สาบไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้เสมอไปนั่นเองแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เราสามารถสั่งได้สามารถสั่งให้อยู่กับเราได้ตลอด เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรานี้เองเกิดจากการควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ไปโลกไปอยากกับสิ่งต่างๆดังนั้นเราจึงต้องมาชำระใจของเราด้วยการภาวนาภาวนานี้เป็นเครื่องมือที่จะชำระใจให้สงบ ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ผลิต แ, ลแต่ความสุขไม่ให้ผลิตความทุกข์ให้แก่ใจได้ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราก็จะสามารถควบคุมความสุขและความทุกข์ของใจเราได้แต่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นเราจะไม่สามารถควบคุมความสุขและความทุกข์ของใจเราได้ดังที่เป็นอยู่กับพวกเรายอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถควบคุมความสุขความทุกข์ของใจเราได้เสมอไปเพราะใจของเรานั้นขาดเครื่องควบคุมบังคับนั่นเองใจของเราจะถูกสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นเป็นผู้สั่งให้ผลิตความสุขหรือความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีภาวนาที่เป็นเครื่องมือที่จะควบคุมใจ ไม่ให้ผลิตความทุกข์ให้ผลิตความสุขให้แก่เราต่อไปไม่ว่าอะไรจะมากระทบกับใจเราจะไม่สามารถกระตุ้นให้ใจของเราผลิตความทุกข์ให้แก่เราได้เลยนี่คือความวิเศษของการภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ พุทธบรยษัต์เพื่อให้พุทธบริษั์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอย่างถาวรไม่ได้เป็นเหมือนกับการดับความทุกข์แบบทางโลกที่จะดับได้เพียงชั่วคราวแล้วไม่นานความทุกข์นั้นก็จะกลับคืนมาอีกเช่นเวลาลองไม่สบายใจ เราก็ไปหาอะไรทำหาอะไรดูหาอะไรฟังหาอะไรดื่มก็จะลืมความทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่งพอหลังจากเรากลับมาจากการไปดูไปฟังไปทาอะไรเราก็จะกลับมาเจอกับความทุกข์อันเดิมเพราะว่าการกระทาต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราได้นอกจากการภาวนาที่มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาเป็นการภาวนาที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปได้ขั้นที่หนึ่งนี้คือสมถภาวนา แปลว่าการทําจิตใจให้สงบการทําจิตใจให้สงบด้วยอุบายของสมถภาวนาก็คือการควบคุมใจด้วยสติ <c oughs> ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ <c oughs> ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จะเป็นตัวฉุดลากหรือดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบอารมณ์นี้เรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานนี้มีอยู่40ด้วยมีอยู่40ชนิดด้วยกันแต่ที่เราได้ยินได้รู้จักกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจา้าด้วยการบริการพุทธโธพุทธโธนี่เรียกว่าพุทธานุสติหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คืออานาปนาสติ คือการระ ล, ะลึกถึงลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะผูกจิตไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเช่นเวลาเราดูลมหายใจเข้าออกเราก็จดจ่ออยู่กับการดูลมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องลมหายใจให้คิดว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าตอนนี้กำลังหายใจออก และให้ดูอยู่ที่ปลายจมูกจุดที่ลมเข้าออกอยู่แถวปลายจมูกนั่นเองไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาเพราะจะทำให้จิตแกว่งไปแกว่งมาไม่นิ่งเราต้องการทำจิตให้นิ่งให้อยู่กับอารมณ์เดียวจึงต้องอยู่ที่ปลายจมูกหรือจะอยู่ที่หน้าอกก็ได้ ถ้าเรามีความรู้สึกเวลาลมเข้าแล้วรู้สึกที่หน้าอกก็ให้เฝ้าดูที่หน้าอกก็ได้ดังที่เขาทํากันเรียกว่ายุบหนอพองหนอเวลาลมหายใจเข้าไปก็จะรู้สึกว่าหน้าอกหน้าท้องนี้ผองออกมาเวลาหายใจออกมาก็รู้สึกว่าหน้าอกหน้าท้องนี้ยุบเข้าไปจึงมีวิธีที่ แลงออกมาจากการดูลมที่ปลายจมูกมาดูที่หน้า อ, อกที่หน้าท้องแทนแล้วก็ให้แล้วก็พูดว่ายุบหนอ่อพองหนอ่อเพื่อควบคุมไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆนั่นเองบางท่านอาจจะอยากจะใช้การบรกรกรรมพุทธโธผูกไปกับการดูลมหายใจก็ทำได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทธ หายใจออกก็ว่าโธ่ก็ได้หรือจะหายใจเข้าก็ว่าพุทโธหายใจออกก็ว่าพุทโธก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันยุ่งยากต้องทำสองอย่างก็เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้เพราะการบริกรรมพุทโธนี้บางเวลา เราอาจจะต้องบริกรรมให้เร็วขึ้นเพราะเนื่องจากความคิดจะชอบแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องบริกรรมพุทธโธให้เร็วขึ้นให้ถี่ขึ้นเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรกถ้าเราดูลมแล้วพุทธโธไปด้วยเราก็จะไม่สามารถบริกรรมให้เร็วขึ้นกว่าลมหายใจยเข้าออก ดังนั้นบางท่านเวลาภาวนาด้วยการใช้พุทธโธกับการดูลมหายใจควบคู่กันไปบางเวลาอยากจะบริกรรมพุทธโธให้ถี่ขึ้นก็จะไม่สามารถทำได้เพราะว่าลมหายใจนี้จะไม่ไม่ถี่ไม่เร็วเท่ากับการบริกรรมพุทธโธนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องรู้จักใช้กรรมฐาน ให้เหมาะกับสภาพจิตของตนโดยเฉพาะเวลาที่เริ่มต้นนั่นภาวนาใหม่ๆนี้จิตจะฟุ้งซ่านมากเนื่องจากได้คิดมาทั้งวันได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทำงานทําการได้คิดถึงสิ่งต่างๆเหมือนกับรถที่วิ่ง <c oughs> วิ่งเร็วอยู่อยู่ๆจะมาให้หยุดทันทีนั้นจะยากจะลาบาก จะให้ดูลมหายใจก็จะไม่ยอมอยู่กับลมหายใจจะกลับไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ที่ผ่านมาอย่างนั้นก็อาจจะต้องใช้การบริกรรมพุทโธถ้าพุทโธอย่างเดียวยังยังไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้ก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจในท่าที่ในท่านั่งสมาธินี้แหละ ไม่ต้องนั่งผาเพียบไม่ต้องดหลตาไม่ต้องพนอมมือ <c oughs> เหมือนกับเรานั่งสมาธิแล้วแทนที่จะใช้พุโทโธเราก็ใช้บทสวดมนต์เป็นการดึงใจหรือเป็นการปลองใจให้เบาจากความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราสวดไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต่อไปก็จะรู้สึกเย็นสบาย แล้วก็อยากจะหยุดสว่วนตอนนั้นเราก็หยุดลองหยุดดูแล้วเราก็ดูลมหายใจอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าหายใจออกสังเกตดูว่ามีความคิดปรุงแตกต่างๆหรือไม่ถ้าไม่มีก็ดูลมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะลมลงเข้าสู่สมาธิเวลาดูลมนี้ลมจะละเอียดลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่จะไม่สามารถ เห็นลมได้รู้ลมได้ตอนนั้นนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเกิดความวิตกคิดว่าถ้าไม่มีลมหายใจแล้วจะตายก็เลยถอนออกมาถอนจิตออกมากลัวว่าจะตายความจริงไม่ได้ตายหรอกเพียงแต่ลมนั้นละเอียดมากจนไม่สามารถรู้ได้ ถ้าถห็จุดนั้นแล้วไม่ต้องไปวิตกกังวลให้ดูไปต่อไปถ้าไม่มีลมให้ดูก็ให้ดูเฉยดูความว่างเฉยๆดูว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วลมก็ไม่มีความคิดตุงแต่งก็ไม่มีให้อยู่กับความว่างนั้นไปแล้วจิตจะรวมลงเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปกลัวไปวิตกจิตจะถอนออกมาจะเกิดความอยากจิตจะอยากขึ้นแล้วก็จะ ไม่สามารถรวมลงเป็นเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมได้เป็นอุบเบกขาได้ผู้ที่ปฏิบัติดูลมนี้มักจะเจอปัญหานี้กันแทบทุกรายเพราะเมื่อถึงจุดที่ไม่สามารถรับรู้ลมได้แล้ว <c oughs> ก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาความวิตกกังวลนี้เป็นเป็นเหตุทำให้จิตที่กำลังเอียนั้นอยากขึ้นมาถอนออกมา จึงไม่สามารถรวมลงเข้าสู่ความสงบไดนะ้วิธีที่ถูกต้องก็คือให้มีสติรู้อยู่กับลมจนกว่าไม่มีลมจะให้รู้ก็ให้รู้อยู่กับความว่างนั้นไปแล้วจิตจะรวมลงเข้าสู่ความสงบตามลำดับต่อไปนะเวลาที่จิตสงบแล้วก็จะมีเหตุการณ์อยู่สองลักษณะสาหรับบางท่านจิตสงบแล้วจะปรากฏเห็นนิมิตต่างๆ เห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นได้สองอย่างคือเรื่องภายในกับเรื่องภายนอกเรื่องภายในก็เรื่องที่จิตผลิตขึ้นขึ้นมาเองเรื่องภายนอกก็คือเรื่องของเหตุการณ์หรือเห็นบุคคลต่างๆที่เป็นที่เป็นกายที่จะเข้ามาการปรากฏนิมิตล่านี้นั้นไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีสำหรับการปฏิบัติ เพื่อชำระกิเลสตัณหาชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะถ้ามีนิมิตแล้วไปรู้นิมิตนั้นจะไม่ทำให้จิตสงบนิ่งจะทำให้ไม่มีกำลังเวลาที่ออกมาจากสมาธิเพื่อที่จะมาเจริญการภาวนาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนา จิตจะไม่มีกำลังสู้กับกำลังของกิเลสตัณหาที่จะดึงจิตให้ไปคิดเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสตัณหาคือแทนที่จะพิจารณาทางปัญญาก็จะถูกกิเลสดึงไปพิจารณาทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนการภาวนาที่มีนิมิตแบบนี้ก็จะทำให้ติดอยู่ตรงนั้นจะไม่ได้ ทาขั้นสูงต่อไปก็คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาดังนั้นวิธีที่ถูกถ้าเกิดมีนิมิตขึ้นมาท่านบอกว่าให้เราเดึงสติกลับมาหาตัวเราอย่าตามอย่าตามรู้นิมิตหรือจะใช้การบริกรรมพุทโธดึงเอาไว้ก็ได้อย่าตามรู้เราต้องการให้จิตเข้าสู่ความว่างความสงบ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเวลาจิตสงบว่างแล้วก็ไม่มีอารมณ์ไม่มีนิมิตจิตจะมีพลังเพราะตอนนั้นเป็นเวลาที่จิตได้ตัดกาลังของกิเลสตัณหานั่นเองถ้านิ่งได้นานเท่าไหร่กิเลสตัณหาก็จะอ่อนกำลังลงไปมากเท่านั้นดังนั้นเวลาที่จิตตั้งอยู่ในความสงบและความว่าง ก็ควรปล่อยให้สงบให้ว่างให้นานที่สุดตอนนั้นไม่ใช่เวลาที่จะเจริญวิปัสนาไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาเช่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาการจะเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสนาภาวนาได้จะต้องรอให้จิตถอนออกจากความสงบก่อนถอนออกจากความว่างแล้วมาคิดปรุงแต่งเรื่องนั่งเรื่องนี้ พอเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็อย่าปล่อยให้คิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะจะถูกเพราะจะไปคิดเรื่องการหาลาบยุติสารเสรินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตอนนั้นต้องเป็นเวลาที่เราต้องดึงมาคิดทางด้านปัญญาคือต้องพิจารณาไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตน ในสภาวธรรมทั้งหลายในสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นลาบยศสเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงมีมาแล้วมีไปไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปเสมอเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการ ได้ถ้าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนใจให้เห็นใจรักในลาบยุดสรละเสริญในความสุขทางต า, งางหูจมูกมืนกายถ้าเห็นแล้วจะปล่อยวางจะไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นเหมือนยาเสพติด ยาเสพติดนี่ก็เป็นใจรักเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันนี่มาแล้วก็มีไปแล้วก็ไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้เสมอแล้วก็เวลาอยากจะต้องการเสพก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ได้เสพถ้าได้เสพก็รอดตัวไปแต่ต้องมีเวลาหนึ่งที่จะไม่มีโอกาสที่จะได้เสพ เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเราก็จะเลิกได้เราจะปล่อยได้เพราะเราก็ปล่อยยาเสพติดได้เรารู้ว่าการติดยาเสพติดนี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุขฉันใดผู้ที่มีสมถะภาวนาคือมีความสงบแล้วจะเห็นว่า ความสุขที่ได้จากราบยศสรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลพธภพะนั้นเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยมีความทุกข์ให้มากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะเป็นแบบเดียวกับยาเสพติดที่ร้ายแรงดังนั้นผู้ที่มีสมถภาวนามีความสง บ, บทางจิตใจแล้วแล้วหลังจากที่ได้เจริญวิปัสสนาเห็นโทษของของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เห็นโทษของลาบยศสารเสริญก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะปล่อยวางเช่นผู้ที่ออกบวชนี้เป็นตัวอย่างถ้าได้ปฏิบัติจนจิตใจมีความสงบแล้วจะเห็นโทษของการอยู่แบบคาราวาอยู่กับลาบยศสารเสริญอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่ามันวุ่นวายหนอมันไม่มีวันสิ้นสุดสักที ความสุขที่ได้ก็ได้เพียงเดียวเดียวแล้วก็ต้องดิ้นดนต่อสู้เพื่อหาความสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆพอได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบจากการเจริญสัมม า, าวนาก็จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงว่าอ๋อที่เราอยู่ด้วยนี่เราอยู่กับความทุกข์มาตั้งแต่เกิดโดยไม่รู้สึกตัวเลย พอวันนี้เราทำใจของเราให้สงบได้แล้วเราถึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้มันอยู่ที่ความสงบของใจเรานี้เองก็จะคิดออกบวชคิดอยากจะไปอยู่คนเดียวไปหาสถานที่สงบสงัดเพื่อเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้มากยิ่งขึ้นไปพเพราะลาพังการเจริญสมถะภาวนานี้ จะทำให้จิตสงบเพียงในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิออกมาพอมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีสติปัญญาคอยควบคุมคอยพิจารณาใจลักอยู่ก็จะทำให้เกิดตัณหาความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอมีความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีจึงต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อหลังจากออกจากสมถะภ า, าวนาแล้วต้องพิจารณาตายลักษ์อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้กับอะไรต้องวิินิจัยต้องแยกแยะว่าสิ่งนั้นเป็นไตรลักษ์เสมอเห็นอะไรก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นเป็นตรลักษ์ถ้าเห็นอย่างนั้นจะไม่อยากได้ ถ้าลืมถ้าเผลอพอเห็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่เคยชอบก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทันทีพอเกิดตัณหาความอยากก็จะเกิดความทุกข์ความสงบที่เคยมีอยู่ก็จะถูกทำลายไป <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของเหตุผลที่ทำไมจะต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาหลังจากที่ได้สมถะภาวนาแล้วเพราะการ ความสุขที่ได้จากการสมถภาวนานี้เป็นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ถาวรแต่ความสุขที่ได้จากกา ร, จากการเจริญวิปัสสนานี้จะถาวรเพราะจะเข้าไปทำลายต้นเหตุหรือร่างเงาของความโลภของความอยากทั้งหลายคือความหลงนั่นเองความหลงที่ไม่เห็นตรายลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ไม่เห็นอนิจจัง ในสิ่งต่างๆไม่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆไม่เห็นอนัตตาการที่ไม่ได้เป็นของเราหรือเป็นตัวเราถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆทุกขณะเวลาที่จิตออกมารับรู้หรือคิดปรุงแต่งให้เจริญอัตตาลักอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะรู้ทันความหลงจะไม่หลงอยากได้อยากมีอยากเป็น จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่ร่างกายนี้ก็จะปล่อยได้เพราะจะไม่หลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราจะไม่ไม่คิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเห็นอนิจจังของร่างกายว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครฝ่าฝืนหรือล่วงพ้นความจริงอันนี้ไปได้ แต่จิตใจที่ฉลาดนี้จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่ได้สร้างความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาด้วยอำนาจของวิปัสสนาภาวนาะคือการเห็นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นอนัตตาในร่างกายนี้เองที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้เห็นตายลักในร่างกาย เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์เห็นว่าไม่สามารถไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะตัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปจนถึงวันตายเวลาอยู่ก็ไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บเวลาตายก็ไม่กลัวความตายเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจมีปัญญาแยกออกจากร่างกายได้อย่างสมบูรณ์นี่คือการแก้ความอยากต่างๆต้องแก้ด้วยปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนา คือต้องเห็นใจรักในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจเราไปเกี่ยวข้องไปครอบครองต้องปล่อยให้ได้ทุกอย่างถ้าปล่อยได้แล้วจิตใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คืองานที่เรียกว่าภาวนาที่จะเป็นเครื่องมือดูแลรักษาใจให้ผลิตแต่ความสุข ไม่ให้ผลิตความทุกออกมาเลยมีการภาวานานี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรากยศสรรเสริญเป็นความสุขแบบไหนก็ตามจะไม่สามารถสั่งไม่ให้ใจผลิตความทุกได้และจะไม่สามารถสั่งให้ใจผลิตความสุขได้ตลอดเวลา มีการภาวนานี้เพียงเท่านั้นนี่คืองานของพวกเราที่พวกเรามาทากันในทุกวันพระคือมาศึกษาแล้วก็มาเจริญวิธีการภาวนานี้เบื้องต้นเราก็มากันทุกวันพระแต่ต่อไปถ้าการภาวนาของเราก้าวหน้าแล้วเราจะเห็นความจำเป็นว่าจะต้องมีการภาวนามากกว่านี้ เพราะความสุขที่ได้รับนี้มันมันมันดึงดูดจิตใจมากจะทําให้อยากได้มีความสุขนี้มากแทนที่จะได้อาทิษฐานหนึ่งวันก็อยากจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันก็จะพยายามตัดภารกิจการงานทางโลกต่างๆภารกิจเกี่ยวกับกิเลสตัณหาต่างๆให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปได้ให้หมดไปก็จะสามารถ ปฏิบัติภาวนาได้ทุกวันสามารถออกเป็นนักบวชได้สามารถผลิตความสุขให้แก่ใจได้ทุกวันและตลอด24ชั่วโมงนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้พวกเรามาทำกันในวันพระจึงขอให้พยายามขวนขวาย ทำไปด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นว่านี่เป็นทางที่ถูกต้องและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เรามีความสุขอย่างแทจง้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทําดีละ บ, บาปและชลําระใจให้สะอาดบอยสุทธนี้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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ